กำหนดบริกรรมพุโทโธไว้ในใจเป็นยังไงบ้างคิดใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมเห็นชัดไหมเห็นความรู้สึกชัดไหมใจอยู่กับพุโทโธหรือเปล่าหรือว่าคิดนึกสงสายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจไม่สงบอยู่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยังทำไม่ถูกต้องคอยรู้คอยรู้อยู่ที่ใดที่หนึ่งเช่นที่จะหมู่หรือที่ท่ามกลางอกก็เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วก็นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย เมื่อแต่การฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันก็ให้คอยรู้อยู่และลึกถึงพุโทโธอยู่ตลอดเสียงเข้าทางหูรู้ไปถึงใจวันนี้จะเทศเรื่องมีปัิศนาที่ข้อปฏิบัติ ที่ทำจิตให้หลุดพ้นจากกองทุกนี้ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือตัวตนของเรานี่แหละคนคนหนึ่งมีกายกับใจเท่านั้นกายก็คือรูปกายทั้งหมด ใจคือผู้รู้หรือผู้รู้สึกนึกคิดอันนั้นเรียกว่าใจตาเห็นรูปรู้สึกว่าเออนีสวยไม่สวยดีไม่ดีอันนี้กายกับใจนีไปรู้ด้วยกันกายคือรูปหรือเรียกว่าธาตุสี ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือพูดให้สั้นๆเขาก็คือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนั้นคือประกอบด้วยธาตุสี่ดังที่ว่าอธิบายมาแล้วในตัวในต้นของเราเนี่ย ร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ส่วนใจนั้นคือเวทนาการรับรู้สัญญาจำอารมณ์ไว้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้ด้วยใจ อันนี้ประกอบกันเข้าทั้งกายและใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เกิดความรู้ขึ้นตาเห็นรูปก็รู้หูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นดินลิมรสกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง รูปก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปรูปนี้ไม่เที่ยงอยู่ใต้อำนาจของใจรักคือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังคือทุกข์ออนัตตา ความไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดตือเอาได้ยิ่งพิจารณาไปยิ่งละเอียดลงไปเห็นชัดลงไปว่าตัวตนนี้ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้น มีความแก่ในถ้ำกลางมีความดับสลายตายไปในที่สุดเราเห็นอยู่ตลอดคนเกิดมาแล้วก็นับได้เลยว่าคนนี้ต้องตายชักวันหนึ่งก็ต้องตายให้พิจารณาลงมาที่ใจของเราพินนาเข้ามาที่กายของเรา ว่ากายนี้ต้องมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วแล้วขณะนี้กำลังเปลี่ยนไปอยู่ในที่ก็แตกสลายตายไปให้เห็นชัดในรูปคือดินนี่ดินก็คือส่วนที่ขึ้นแข็งทั้งหมดในตัวของเรานี่เรียกว่าเป็นดินส่วนที่เป็นน้ำ น้ำดีน้ำเสลน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหมูน้ำลายน้ำมูดอันนี้คือส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่เป็นลมคือลมขึ้นพัด ส, สูงลมพัดลมเบื้องต่าลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ลบนี่ก็ไม่เที่ยงไฟคือไฟยังกายให้อุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟยังกายให้อาหารย่อยถ้าร่างกายนี้ไม่มีไม่มีไฟพูดงไงเอาไฟหมดเลยอย่างเช่นเวลาหนาวหนาวหนาจ ะ, จะขาดเลยแหละสี่ห้าองศานี่งสิบองศาเนี่ยมันหนาวมากเล้ว ความอุดในร่างกายหมดไปบลยนะี่นี่ตจอความเย็นอย่างเดียวเข้ามาแทนที่กายนี้อยู่ได้ไหมไม่ได้ขาดความอุดก็ตายอบอุดมากเกินไปตายอีกเหมือนนะาตายอีกนี่ไม่พ้นหรอกอันนี้จังคขามไม่เที่ยงยมันมีในตัวในตนนี้ตลอดสักวันหนึ่งก็เป็นทีของเรา มันไม่เที่ยวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนี่แหละมันเป็นของเราที่เราจะต้องได้พบได้เจอเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่สุดที่ต้องพิจารณาเห็นโทษโทษของเกินความแก่ความเก็บความตายนี้เป็นของมีประจําจใจเราอยู่เราน้อมเข้ามาใส่ใจเรา น้องก็มาใส่ตัวเราให้เห็นตัวร่างกายอันนี้หรือกายใจอันนี้ว่าเป็นของที่ทรงอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายในที่สุดให้เห็นชัดลงไปเห็นความไม่เที่ยงลงไปในตัวตนการปฏิบัติธรรม เมื่อเราทำกิตให้สงบแล้วเราต้องพิจารณาพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันธ์อย่างอัตมาพูดมานี้ก็ได้ให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่มีตัวตนที่เข้าไปยึดถือเอาได้เอตังมะมะเอโสหามัตจะมีนี่เป็นเรานี่เป็นของของเรา มันไม่เป็นของเราเรามาหลงยึดหลงถืออยู่ชั่วระยะหนึ่งท่านเองถ้าบุญไว้ทำบาปไว้ตายไปตัวลรกทำบุญไว้ไปสวรรค์ทำจิตในบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไปพรนนิผ่านแต่เราพ้นจากทุกข์เป็นพระลหันแนวไปพระนิผ่านแต่เป็นสราบันยังไป สวรรค์ัยังไปพุมโโลกอยู่ถ้าเวทนาคามีก็ต้องไปสุาาทาวาสพุมโโลกห้าชั้นอวิหาตปาสุทัสาสั ส, ส, ส, ส, สีกริถาส่วนถ้าผู้ใดจิตหลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไปพระนิพพาน พี่นาเข้ามาตัวเราหละนี่เราว่าขันห้าตกอยู่ข้อไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเราพิจารณาเข้าไปอีกแล้วรูปอันนี้มีสิ่งที่ให้พี่ณาหลายอย่างเส้นพี่ณาความเป็นอรชุพะอะไรในตัวตรงของเรานี่พิณาเข้าไปก็จะเห็นชัดว่า เนื้อหนังมางสารนี่มันเปียเนาเป็นตายแล้วสามวันเจ็ดวันเข้าไปทิ้งไว้ในป่าชาสามวันเจ็ดวันมันก็เน่าก็เปื่อยส่วนจิตวิญญาณก็ไปตามความดีความชั่วส่วน ร่างกายนี่ก็เขาก็ไม่เอาไว้ที่บ้านต้องเอาไปทิ้งที่ปา่ปชาช้าป่าช้าผีดิบคือเขาไม่เผาไม่มีฟืนที่จะเผาไม่มีสิ่งเผาเต้องทิ้งไว้ทิ้งไว้หลายวันมันก็เน่า เราก็พิจารณาเห็นความเน่าเหม็นนั่นนี่เจ็ดวันนี่มูหนอนลงเลยเต็มแต่ยั่วยเยะไปหมดในตัวนี่มันเป็นอันุภะคือไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครปฏิกูลหน้าเกลียดหน้าเบื่อหน่ายเราน้อมภาพนั้นเข้ามาสู่ใจเรา สู่ตัวเราว่า ต, วตัวเรานี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะเน่าเหม็นเหมือนกันถ้าตายแล้วแม้แต่ยังไม่ตายก็ยังมีความโศกปรากฏในรูอยู่อย่างเราไม่อาบน้ำสองวันสามวันก็รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวแรงขึ้นอันนี้คือความเน่าเหม็น มันก็มีหลายอย่างในตัวเราเนี่ยอุจราปัสวะเป็นของเน่ามินเหมือนกันเป็นของโสกโปรกปฏิกูลเหมือนกันก่อนพิจารณาลงไปว่านี่คือความเป็นอสุภะที่พุทธเจ้าสอนเราเป็นอสุภะคือความไม่สวยไม่งามไม่ตัวตนก่อนให้เราเห็นชัดลงไป ว่าตัวนี้ประกอบด้วยความเน่าหมินสุขโภกปฏิกูลโชว์ปฏิกูลมากถ้าเอาไม่เผาไม่ฝังเอาไปตั้งไว้ในป่ามันก็ต้องเน่าต้องหมินต้องสุขโภกปฏิกูลหเห็นชัดเนจนเช่นครั้งหนึ่งนางสิบีมาน้องสาวของหมอชิวกโกมารพัด แต่เป็นผู้หญิงงามเหมืองนครโสเพณีครับเป็นคนสวยสวยไม่สั่งสวยใครเห็นก็สวยพาไปเห็นไปบินรบาตที่บ้านนางศิริมานางศิริมาเป็นพระโชดาบันนะ ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วคือได้บรรลุเป็นพระสุรบันทำบุญวันและกเกส่วนถวายพระทุก ว, นกวนันทุกวันทำบุญทุกวันต่อมาวันหนึง่งป่วยหนักตายไปเขาทุกับทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าวันย่าเพึ่งผเผายาพึ่งฝัง ให้ตั้งไว้ในป่าชาอย่าให้แลกให้กลามาลง ก, กินให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจนกว่าจะครบสามวันจึงประกาศให้ชาวบ้านชาวเมืองออกมาดูกันให้ตอนนั้นนางศิริมาป่วยนี่แล้วก็ไม่รู้โรคอะไรปัจจุบันทันด่วน คือป่วยได้วันสองวันก็ตายเลยพระเข้าพิธาบาีที่บ้านนางตอนนางที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทุกอาหารการกินนี่ยกให้เลยยกนิ้วให้เลยแซบ่บอร่อยเขาบอกว่าอุ๊ยเรื่องความอาหารการกิน่งของธรรมดานะ นางสิริมานเป็นคนสวยสวยมากพระหนุ่มองหนก็คิดว่าเมื่ไหล่จะถึงคิวของตนไปวินทบาทที่บ้านนางศิริมาพอดีถึงคิวพอดีก็จำตัวไปวินทบาทหน้าบ้านนางศิริมานางศิริมานี่วยอยู่ คนใช้ก็เลยหิ้วปีกมาเขาอยากมาไหว้พระเนี่ยก็เลยมีคนประคองมาพระก็ เ, เห็นว่าอุย๊ยทำไมสวยแท้คนคนนี้ทำไมสวยเหลือเกินสวยมากพระเอารันรับบาทแล้วกลับไป เอาบาทตั้งไว้แล้วก็ น, นอนมือก่และผ่าก็คิดถึงนางศิดีมาทำไมสวยเหลือเกินก็ยังไม่รู้ว่านางศิดีมาตายหรือยังอยู่นะแต่รู้ว่านางป่วยเธอเองพอครบสามวันพระพุทธเจ้าบอกพระ อ, อ น, นุนว่าให้พระ อ, อนณน์ประกาศให้สงว่าทั้งหมดเนี่ยพระทรงทั้งหมดเนี่ย ถึงพระทั้งนี้ก็ตามให้ไปที่าาป่าช้าผีดิบพระองค์ที่นั้นก็เข้าก็เป็นเล่าไปแล้วสามวันนะมันกลายเป็นเล่าไปได้ยินข่าวว่าร่างศิดิ ม, มาธรนินงลูกเพื่อพักเตะข้าวออกจักบาทขัดสี ร้างบาดเสร็จรีบสะพ้ายบาทติดตามหมู่คณะไปไปดูนางสิริมาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พระราชานีประกาศหรือให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งประกาศประกาศขายนางสิริมานางสิริมาเป็นคนสวยนี่ แต่ว่าตอนนี้หนอนขึ้นแล้วแต่ย้เย่ย่เต็มตัวแนละ้วขี้ให้ขางก็มีเต็มไปหมดประกาศขายสนะี่พันหาปณะไม่มีคนรับสักคนพระก็ไม่รับโยมก็ไม่รับไม่มีใครรับ จะทำไงดีเกิดลดส่วนลงมาพันหนึ่งก็ไม่มีคนหลับร้อยหนึ่งก็ ม, มีคนลับเสตางแรงหนึ่งก็ไม่มีคนหลับให้เฉยเฉยก็ไม่มีคนเอา พระพุทธเจ้าก็เลยเออถ้าอย่างงั้นเราจะแสดงธรรมแสดงถึงความสุขบบพเติกูลนี่แหละเป็นธรรมพระโยมได้บรรลุ ธ, ธรรมมากมายแม้แต่พระองค์ที่นอนคิดถึงนางศิริมา น, นั่นก็เหมือนกันก็ไม่รับ เกิดความเมื่อหน่ายค้ายความยินดีในตัวตนนี้เป็นของโสโครตปฏิกูลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นพระโอ้นั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันตั้งแต่นั้นมาก็เข้าใจในชีวิตนี่รูสิคนสวยคนงามขนาดไหน แต่ในที่สุดก็ต้องเป็นของเน่าของหมิน่นของโสโปรกปฏิกูลไม่มีใครยึดเอาไปได้นะกายนี้ก็จะเอาไปชา้ิหน้าพบหน้าได้ไม่ใช่นะอย่างดีก็แค่ป่าช้าเขาเผาเขาฝังตนง้นอี แต่ในอินเดียวัตจุบันเนี่ยมีแต่อีแรงอีกามันเยอะมากคนตายเขาไม่ต้องเผาเลยไม่ต้องเผาปล่อยให้แรงให้กากินปล่อยให้แรงให้กากินกินซากศพอันนั้นแหละอีแงอีกาก็เน่าหมิ่เหมือนกันนะ ไม่ใช่ไม่เน่าเหม็นมันเน่าเหม็นเหมือนกันพอไปอยู่ใกล้ความเนา่าความเหมินมม็นไปทําอะไรก็หมิ็นก็มีใครกินแรงกินกาณ์นะอยู่อินเดียนี่แตกเงาเงาเลยเต็มไปหมดวัวตายควายตายคนตายมันทำหน้าที่เป็นสัปะลร่อหมดเลยพวกแรงพวกกาณนี่ แต่ว่าในประเทศไทยเรามีน้อยแต่ก่อนมีนะแต่ก่อนโควิดตายหนยโอยอีรอิกาเต็มหมาตายกันเลนแต่ทุกวันนี้ไม่มีทุกไซไปที่อินเดียหมดเพราะคนเขาไม่มีฝืนเผาเช่นครั้งหนึ่งเมื่อจะมาไปอินเดียก็ไปเห็นเขาเผาศพเพราะรถจอดสวนทางกันอยู่ตั้ง สองชั่วโมงสามชั่วโมงข้ามสาพนะพานเนี่มันไปได้ช่องเดียวใครมาแล้วก็ต้องจอดรออันก่อนจำนวนหนึ่งไปจำนวนหนึ่งก็รอรอเส้นทางพระเนรนก็ดีญาติโยมก็ดีก็ได้ดูเห็นเขาก็ได้เห็นเขาเผาศพเผาศพคนตายเนี่ย เผาแล้วยังไม่ไหม้เท่าไรหรอกนะฟืนมันหมดก่อนร่างกายที่ถูกเผาเนี่ยที่เผาไม่หมดเนี่ยโยนลงไปในน้ำปลาใหญ่ก็สวบครบตัวใหญ่ตัวเล็กเข้ากินกันลุมเลยาะนีลุมเป็นเนื้อหนังเหล่านั้นตัวตัวนั้นอ่ะโอ้ ว่ า, ากินกันมากเลยมีแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นอัจมา์เห็นแล้วโอ้นี่นะกฎเราสิ้นสุดกันเพียงเท่านี้แต่ว่าดีชัว่วถ้าไม่ไม่มีความดีก็ต้องไปสู่นรกมีความดีก็ไปสู่สวรรค์กินบริสุทธิ์ก็ไปพระนิพพาน อืมพอมาถึงโรงแรมอัตมาฯก็บอกคนจัดทัวร์ว่านี่คุณขอยกเว้นอาหารที่เป็นเนื้อปลาคือกินไม่ลงอ่ะนยะเขาทอดปลาเท่าไรมาก็ากินไม่ลงบอกเขาว่างดเมนูปลาลง ให้เอาทอดไข่มันก็สบายเขาะถ้าเป็นปลามัก็ต้องไปทํานั่นทํานี่อีกหลายอย่างทอดไข่มันสบายกว่าเพราะเราเห็นแล้วเราลังเกียจมากไม่กินปลาเพราะเห็นปลาสลบกินสลบคนอยู่ที่ไหก็ไปอย่างนันหมดแม่น้ำคงคาก็เหมือนกันเขาเผาแล้วก็ เฟื้อนหมดแล้วเขาก็งัดลงน้ำไปเลยส่วนเสื้อผ้าเขาถอดออกหมดแล้วผ้าขาวที่มัดศบมาเขาก็ถอดออกหมดเป็นผ้าบางสักุูดหมดเลย mm. เขาเผาเสร็จเขายังไม่ไห ม, ม้ดีเท่าไหร่หรอกโยนลงน้ำแม่น้ำทันทีป่ า, าก็ลุมกินเลยถ้าเราเห็นเป็นของโสพก เราก็ต้องเบื่อหน่ายคลายความยินดีถ้าเรายังเห็นสวยเห็งามอยู่มันก็ละความยึดถือไม่ได้แต่ถ้าเห็นว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนาฏตาเห็นเป็นความสกปรกปฏิกูลในตัวของเราเราก็วางความยึดความถือได้ใครเป็นผู้วางก็ใจเราแหละเป็นผู้วางวางความยึดความถือ วางความสำคัญนั่นหมายในตัวตนนี้เห็นว่าตัวตนนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้า ต, ตาแต่เห็นชัดอย่างนี้ในใจเราก็วางได้วางความยึดควถือได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์คือทดดูไม่ได้แล้วก็เห็นเป็นหน้า ต, ตาคือความไม่มีตัวตว น, เ ก, นเก่นสารเก่นสาร ที่เราจะเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้เนื้อหนามังสาเราก่อไปด้วยไม่ได้ตัวตนอันนี้เอาไปไม่ได้เลยเป็นอนัตาหาตัวตนหาสาระแก่นสันในตัวตนอนนี้ไม่มีเลยตาเราไม่ทําบุญทํากุศลอะไร ไม่ทำความดีไว้ไม่ให้ฐานไว้ไม่รักษาศีลไว้ไม่ปฏิบัติสมาธิปัฏนานไว้เราจะอะไรไปด้วยล่ะเงินทองร้อยล้านพันล้านที่มีอยู่เราไม่ได้ทำบุญไว้เลยเราอาไปได้ไหมไม่ได้ตายแล้วเขายัดใส่าปากไม่เกินห้าบาทหรอกเรีนห้าเรียนสิบเขายัดใส่าปา ก, าปากไว เผาแล้วยังเก็บเอาอีกพูดง่ายๆว่าทรัพย์สินสมบัติที่เรามีอยู่มากมายเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเราไปด้วยไม่ได้หมดไปสิ้นไปในโลกนี้แหละตัวเราไปแล้วกายเผาป่าชา้าฝังในป่าชา้าปล่อยทิ้งไว้ในป่าชา้าเป็นอาหารของนกของกาอีแรงอีกา เอาไปเอาสมบัติที่มีอยู่มากมายไปด้วยไม่นได้เลยถ้าไม่ทำบุญทำกุศลไว้เอาไปไม่ได้แต่ถ้าทำบุญทากุศลไว้บุญนะั้นก็เข้าไปอยู่ในใจของเราเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปถูกต้องไปสวรรค์อันนี้เรายกวาทำความดีไว้ถ้าไม่ทำไว้ไปด้วยไม่ได้ ไปสอนไม่ได้ไปอุปพานไม่ได้ต้องทำความดีทำความดีไว้เท่านั้นแหละมันถึงเอาไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นเอาไปด้วยไม่ได้ถ้าทาบุญทำบุญสวด้วยก็เอาไปได้เอาสมบัติไปในตัวได้ไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ก็มีความสุข ไม่อดไม่ยาดเพราะบุญบุศลที่เราทําไว้นี่แหละหัดใจของเราให้มันอยู่ให้มันรู้มันเห็นกาหนดพุดโทโธพุโทโธไว้ในใจอย่าทิ้งจนกว่าใจของเราจะสงบมันวางเข้ามันเองเลยพุโทโธมันก็ไม่นึกกนาปานะมันก็ไม่สนใจ มันรู้อยู่ที่เดียวแห่งใดแห่งหนึง่งปล่อยวางหมดไม่ยึดถืออะไรเลยตัวตนของเราก็ไม่สาคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวของเราเราอาศัยมันอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองมันเหมือนกับน้ําบนใบบัวที่ถูกต้องแสงอาทิตย์ก็เกิดแห้งหายไปตัวตนของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เกิดมาแล้วไม่นานก็ตายไปเหมือนน้าบดลอยโคน้ำอยู่บนลอยโคนี่เรามองดูตอนเช้าเราดูโห้มีน้าขังอยู่พอตอนเย็นมาดูอีกน้ำแห้งไปหมดแหละมันไม่มีส่วนที่จะเหลืออยู่เลยหมายถึงกายนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีที่จะ อยู่ไปตลอดการอวสานคือนานแสนนานไม่ได้ไมันได้ไปป่านนั้นร้อยปีก็พอแรงแล้วร้อยปีก็ถือว่าเป็นกับหนึ่งของชีวิตแล้วหล่โรยมากยังไม่ถึงร้อยปีก็ไปก่อนก่อนที่เราจะไปจากโลกนี้ให้สร้างความดีไว้ให้มากให้ทำบุญทำกุศลไว้อย่าประมาท ว่าเราจะไม่แก่ไม่ตายให้รีบสร้างความดีเอาไว้ให้มันพอเพียงวั่นใจว่าเออเราได้ทำเต็มที่แล้วอย่างไรก็เป็นไม่กลัวตายพุ๊บสวยสุขอันนี้ว่าสุขในสัมภายะภพคือพบหน้าแต่คนทำบุญทำกุศลไว้สร้างความดีไว้ ในขณะเป็นมนุษย์นี่ก็จะมีความสุขจิตใจก็เบาสบายมีความสุขกายสุขใจถ้าทำบุญเรกอุนไว้แล้วให้ผลเป็นความสุขแก่เราอย่างเราเป็นในร้อยมันก็ขยับขึ้นเป็นในพันอำนาจของบุญนะ ถ้าเป็นนายพันมันก็ขยับขึ้นเป็นนายพลเป็นนายพลก็สูงสุดของนายพลก็คือพลเอกสูงไปก่อนนั้นก็คือเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือทหารเหล่าทัพอากาศทหารบกทหารอากาศทหารเรืออืมมียศมีอำนาจมีวัฒนามีบรัรมี แต่ถ้ามันไม่สามารถออกมาได้ทางกายทางใจให้เห็นมันก็ออกมาที่ลูกที่หลานบอกง่ายสอนง่ายบุญน่ะลูกเต้าก็เป็นคนบอกง่ายสอนง่ายรู้จักบาปปูนคุณโทษรู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ตั้งใจศึกษาเราเรียนเป็นคนดีทําความสบายใจให้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวด ลูกเราเป็นคนดีไม่เกิกเมลิกเก ร, รีก็ได้บุญได้กุศลจากวิดามารดามันไปออกที่ลูกที่หลานออกไ ป, ปไปไหนออกไปก็เขาเจริญการศึกษาขอตั้งใจเรียนได้คะแนนดีอะไรเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าเรียนจบแล้วไปสอบเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นข้าราชการส่วนใดส่วนหนึ่ง ที่ดีๆก็ เ, เกิดขึ้นก็ได้ยอมคนหนึ่งที่เคยมาวัดป่าแล้วในส่งเป็นทหารอากาศมียศเป็นพันจ่าอากาศเอกมาอุปถากษ์พระธรรมมาถวาอยู่ลูกเศ้าของเขาเนี่ยเขาทำมุนนะเขาทำไม่ใช่วัดนี้วัดเดียววัดอื่นเขาก็ทำออกทางลูกบ่เนี้ พ่ อ, อ น, นี่ก็เป็นจ่าเหมือนเดิมไม่ได้ขึ้นเป็นนายร้อยตานอยู่ตรงนั้นเนี่ยพราะไม่มีปริญญาขึ้นไม่ได้เป็นนายร้อยไม่ได้นายพันไม่ได้ไม่ได้ไไดปิดแต่พ่อกรณอลูกสอบหมอได้เรียนทุนฟรีเออได้ทุนสอบหมอได้ละยศแถบยังได้ทุนทุนเรียนน่ะจนจบ พ่อแม่ก็ตั้งหน้าทำความดีทำหน้าที่ราชการให้ดีเด็กเกิดมาลูกเต้าก็เป็นคนดีสอนง่ายบอกง่ายปฏิบัติตามง่ายมีหน้าที่การงานมีการศึกษาเราเรียนดีมีหน้าที่การงานการงานดีนี่มีลูกกี่คนมันก็ออกไปที่ลูกหมด อันนี้เขาทําอุน่นทั้ำอุศนไม่ประมาณตอนตอนนี้เขาตายยังก็ไม่รู้มันไม่ได้ติดต่อกันหลายปีแล้วแต่ก่อนเขามาที่นี่ประจําจกลางกดอยู่ตามลานวัดนี่แหละเพราะไม่มีสารามีอะไรเขาก็ตรงไหนมันรอบรื่นเขาก็กลางกดเขาไว้แล้วเขาก็นอนหัดภาวนาปฏิบัติธรรมทมาบุญถวายอาหารมีสบการดแล้วเขาก็กลับ ท้าเป็นวนสาววันทิ่เขาไม่ไปเที่ยวที่อื่นเขาก็มานอนที่วัดมาปฏิบัติธรร ม, มบุญกุศลก็ไปออกที่ลูกที่เต้าที่ลูกหลานหาดให้เขารู้จักศีลจากทราให้เขารู้จักกินจากทานรู้จักสร้างน้ำทำ บ, บุญเราทำเป็นตัวอย่างก็จะเห็นชาติลงไปว่าโอ้คนเหล่านี้ จะมีสูกมีทุกข์ก็เพราะมีบุญแล้วไม่มีบุญบุญในการให้ทานบุญในการรักษาศีลบุญในการภาวนาเรียกว่าทำความดีใครเป็นคนรับเรานี่แหละส่วนที่มันออกไปลูกไปเต้านะั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่มันแสดงให้เห็นาอนุภาพของบุญนี้ที่เราให้ทานรักษาศีลอย่้งนี่น ปฏิบัติทรรไว้นี่มันไปออกที่ลูกที่เจ้าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่แท้ที่จริงมันก็นที่เราเนี่ยแหละเราเนีลยได้อย่าไปรอว่าโอ้คนนั้นคนนี้เออเราตายก่อนลูกหลานจะทำ บ, บุญให้เนี่ยคนเรามีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายทาไม่รีบทำความดีก็เกิดแก่เก็บตายไปธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษวิโู แต่ถ้าทําความดีไว้มันก็เป็นความดีของเราเป็นวิเศษวิโส ข, ขึ้นมาในใจเราพูดง่ายๆมันดีขึ้นแก่ใจเรามันสบายขึ้นมันอะหลายๆอย่างมันดีขึ้นหมดอ่ะยิ่งให้ก็ยิ่งเกิดไม่ให้ไม่เกิดยิ่งให้ยิ่งทํายิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่แกเล่านี่แหละ เกิดขึ้นที่ใจเรานี่ยแหละเป็นกันเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาให้เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมให้เห็นชัดตรงไปว่าเป็นเว็นฌานอันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาฏตา ไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่หลงหยึดถือป่านั้นให้เห็นชัดว่าวีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นตัวอย่างแล้วอยากเห็นความโศกเศร้าเสียใจใพี่หลายลาพันเพราะความรักความหลงในตัวตัวนั้นนี้นี่แหละให้เห็นไปเจอเราโอ้นอกจากจะพิจาณาแบบ ธรรมดาเห็นนิจังทุกข์อันตาแล้วยังสามารถพิจารณาเห็นเป็นสองสุขภูมปฏิกูลได้เห็นเป็นของเน่าของเหมินได้เป็นของสุขภูมได้เราสามารถเห็นชัดในตัวเราโอ้ตัวของเรานี้เต็มไปด้วยความสุขภูมปฏิกูลอย่างนี้เราต้องสร้างสมคุณงามความดีไว้อย่าได้ประมาท เพราะตัวตนของเรานี้มันอยู่ได้ไม่ถึงพันปีร้อยปีก็ทั้งยากหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็เริ่มมีอาการแนละ้วแต่ร้อยปีนั่นโอยกินข้าวตอนเช้าแล้วเอ๊กกูกินตอนเช้าหรือ ย, อยังกินข้าวตอนกลางวันเสร็จแล้วพ่อไปบ่ายเอ๊กกูกินข้าวหรือยังอันนั้นไม่ใช่ปล่อยวางนะคือมัน มันไม่มีอะไรที่จะทำให้คนผู้ที่ไม่มีสติสมาธิปัญญามีความรู้เห็นอะไรต่างๆมันหายไปจำไม่ได้ว่าทำอะไรยิ่งคนแก่มากยิ่งจำอะไรไม่ได้เลยให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเรา ว่าเราต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันให้เราเร่งทำคุณงามความดีอย่าประมาทในอะไลยชีวิตคือความเป็นอยู่นี่อย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราแก่แล้ว จ, จะทำความดีบางทีไม่แน่มันยังไม่แก่เลยมันก็ไปแล้วมัอนหมู่บ้านแถวนี้แหละ ไม่ถึงสิบวันได้ยินละเสียงปึง้งประทัดเขาเรียกกับประทัดคื่ดอกไม้ไฟถ้าดังตื้มขึ้นกน็นั่นเนี่ยอ้าวตายแล้วไม่นานได้ยินตรงนั้นยินเพราะอยู่นี่มันส่วนกลางมันอยู่ส่วนสูงมันสามารถฟังเสียงและได้ยินอยู่เรื่อย คนเหล่านั้นไปไหนแล้วแต่บุญแต่บาปจะพาไปภาวนาเป็นไหมไม่เคยรู้เรื่องการภาวนาเลยไม่เคยให้อาหารทางใจเกลียใจเราเลยหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอได้อยู่ได้กินไป จะหาเวลามาทำบุญทำกุศล น, นี่ก็ยากอยู่แต่ว่าพวกคนหนุ่มคนสาวบ้านก้างมานอนงเต่านี่ก็พากันมาปฏิบัติอยู่ถามว่าบ้านก้างมานอนงเต่ามากี่คนยกมือขึ้นก็เห็นหลายคนแต่ตมาก็จจำไม่ได้ว่าลูกใครบ้างอืเขาก็มาปฏิบัติอยู่คราวนี้ก็มาปฏิบัติหลายคน เดียกว่ายังได้โอกาสอยู่วัดมาอยู่ใกล้บ้านถ้าไม่เอาก็ไม่ได้เหมือนอย่างหลวงปู่เทศว่าชาวบ้านโคกช่วไทยใจเลินนี่เพิ่งจะตื่นกรุงเทพเข้าไปหมดแล้วพูดง่ายถ้าหลวงปู่สอนอยู่อบรมอยู่ น, น เทศได้สอนได้อยู่นั่นคนก็ไม่ค่อยเข้าไปฟังทำปฏิบัติธรรมก็มีแต่คนรุ่นเก่าที่ร่วมสร้างอันนั้นนี่กับหลวงปู่มาจังหันมาอะไรอยู่แต่ลหลังมาลูกหลานก็ไม่มีเวลาจะมาไปอยู่กับหลวงปู่เทศก็เห็นมียายแก่สีห้าคนส่วนนั้นนอกนั้นก็มาแต่กูเทพ กรุงเทพบ้างเมืองอื่นบ้างมาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ท่านวอาไว้พวกแถวนี้มันมันยังไม่ตื่นอันนี้น่าสงสารคนอื่นเข้าไปหมดแล้วคนใกล้ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เพราะทุก ทำมาหากินแก่เท่ามาหรือไม่แก่ไม่เท่าแต่อยู่อยู่ลําบากนะทํามาหากินไม่รู้รอราบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงไม่รู้จักตายแล้วจึงคิดเสียดายโอ้ยเราต่ายเราไม่ได้ทําบุญเลยออืไม่ได้ทําบุญกุศลไว้เลยบุญใดกุศลใดควรทําควรปฏิบัติก็ไม่ได้ทําไว้ กิจก็มีพีพึ่งก็ต้องไปสูวอบยภูมิธรรมาดาส่วนบางคนก็ทาบุญนำกุศลอยตายแล้วก็ไปสู่สุคติสวรรค์แลบางคนก็มาปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างเต็มที่ตั้งแต่อาตมามาสร้างวัดอยู่ที่นี่มาปฏิบัติด้วยทุกคนคนแก่นะแต่ยังไม่แก่ตอนนั้นท่านก็อายุ ป, ประมาณ4ี่0ิบห้าสิบ เชือธตมายังเป็นพระนุนุมอยู่สอนภาวนาให้บริกรรมพุทธโธบ้างลมหายใจบ้างแล้วแต่ทายาใสของใครอรตมาก็จะเทศจะสอนให้บอกให้คนนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติไม่ถอยพอเข า, าเอาไปเผาก็ดูกายมรรท่าเลยดูสิเผาเสร็จพรุ่งนี้เช้ามาก็เก็บดู พอไปเก็บกะระดูกนี่กะระดูกนั้นกลายเป็นพระธาตุอันนี้เขาตั้งแก่ปฏิบัติไม่ใช่น้อยคนนะหลายคนอยู่กะระดูกเป็นพระธาตุหมดแกก็นึกคุตโตผู้ตัวในใจลูกหลานว่าไม่รู้ว่าอ้แม่นี่บ่นอะไรอืกินข้าวก็ได้กินแล้วอาหารก็กินแล้วพักผ่อนก็ได้พักแล้ว ลูกขึ้นมายังบนอยู่ลูกไม่รู้จักแม่กำลังบริกรรมพุโทโธอยู่ยังบริกรรมลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ท่องท่องพุโทโธในใจแกก็ไม่ได้ไปดา่าไปว่าใครเลยนะไมู่ไม่ลูกไม่ดูหลานแกก็อยู่สบายสบาย แกนึกพุทธโธแกก็กพูดทางปากโดยพุทธโธพุทธโธ ท, ทโทลูกเท่าเอ้แม่นี่บ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จากคนที่ได้บรรลุมากคผลเขาเป็นพระลหันแล้วก็ดูเป็นพระธาตุนั่นอันนี้ก็เกิดจากการทำความดี คนอย่างนั้นไปที่ไหนก็ไปพอดีผ่านไปพนดีผ่านหมดถึงความสูงสุดในชีวิตเพราะได้ปฏิบัติทรรมไว้อย่างพวกเราทุกท่านทุกคนนี่แหละถ้ามาฝึกมหาหัดทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ จิตใจล้วก็ปลอดโปรง่งพองใสมีความสุขภายในเห็นธรรมในใด้วยใจของเราบารรลุแล้วชั้นใดชั้นหนึ่งคือเป็นพะระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอารหาันาหามันเป็นอยู่ที่ใจของเราใจเราเข้าถึงพวกนี้ไม่เป็นห่วงเพราะยังไงก็ ไม่ตกตามอยู่แล้วถ้าพระยายเอกเชนสกัดสักขมณีนา่าโสตาปติพลังวลังเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นพระเจา้าจักรพรรดิก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้ไม่ได้ ชูไม่ได้ไปสวรรค์ก็สู้โสดาบัญมีได้เป็นใหญ่ในโลกทั้งหมดน่ก็สู้ความเป็นพระโสาบัไมีได้เพราะพระโสาบันไม่ตกนรกแล้วก็ไม่เกิดหลายภพหลายชาติเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราจะได้ไหม ถ้าเราเข้าใจแล้วปฏิบัติถูกต้องมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ายังไม่ถูกต้องก็หาโอกาสปฏิบัติไปเรื่อยๆสังเกตใจเราว่าอยู่กับพุทโธพุทโธหรือไม่ถ้ายังเห็นพุทโธอยู่ก็เห็นดามอยู่มันก็ค่อยหลุดไปหลุดไปหมดไปหมดไปละเอียดไปจนไม่มีอะไรในกิจใจเลไม่มีความยึดความถือในใจ ไม่มีความสำคัญมั่นหมายในใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นวัตถุ ก, กรรมและกิเลสกรรมเป็นของไม่เที่ยวเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่เข้าไปยึดถือเอาได้ในขันห้านี้ขันห้านี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเห็นชัดในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เราไม่เข้าไปยึดถือเอาเลยปล่อยวางได้เลยมั่นใจว่าเราต้องไม่ถูกตาต้องได้เป็นพระอรหั น, นต์ในชาติใดชาติหนึ่งไม่เกินกิดชาติถ้าได้สวดอภจษฐตินี้เพราะความมาเข้าใจในเรื่องธาตุขันธ์อยายตระตัวตนเรานี้ทั้งหมดว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน่าตา ใจเราก็จะว่างความยึดควมถือทั้งหลายได้ก็จะถึงซึ่งความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจเพราะเราได้ปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านทุกคนจงเข้าใจว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหนาต้าขันห้าคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เรียกว่าขันห้า เรามาเข้าใจในตัวตนของเรานีตกอยู่ใจอานาจขอขันหะเป็นของผูพังเปืือยเน่าปเป็นธรรมดาไม่ทรงอยู่ได้นานไม่เกินร้อยปีไม่เกินพัน 1, ปีเจ็ดสิบแปดสิปีนี่ก็เริ่มแล้วไปมายากแล้วลุกก็ยากนั่งก็ยากแหละให้เรามาเห็นชัดก่อนที่เราจะไปสู่สุขติสวรรค์ ก่อนเราที่จะไปสู่ความสุขความจเจริญขอให้ทุกท่านทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติให้ทาให้ถึงที่สุดของการปฏิบัติก็จะเห็นความสุขในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนลมหายใจออกก็ให้รู้ลมหายใจเขา้าให้รู้รู้อะไรรู้พุทธโธ ร, รู้พุทโธพุทโธพุทโธ แล้วก็มารู้ขันห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาก็จะเห็นความสุขความมรสุดในใจตาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานทุกท่านทุกคนเถิด